ทายกถวายเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งคำว่าที่เขาบริจาคแก่สงฆ์คือที่เขาบริจาคเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ไม่ใช่แก่คณะไม่ใช่แก่บุคคลคำว่าให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นความว่าให้แลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่นนอกจากที่เขาถวายจ่อจงไว้ต้องอาบัตรทุกกฎในขณะที่ให้แลกเปลี่ยนของนั้นเป็นนิสกีเพราะได้มา